ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองพระสูตรที่สามสามมหาโคปาลสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงถึงการขาดและความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมของภิกษุสิบออย่างเทียบเคียงด้วยการขาดหรือการมีความสมบูรณ์ ด้วยคุณสมบัติของคนเลี้ยงโค11ข้อว่าจะทำให้ภิกษุไม่ควรถึงหรือควรถึงความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้คุณสมบัติของคนเลี้ยงโคเทียบด้วยคุณธรรมของภิกษุดังต่อไปนี้สำหรับการขาดคุณสมบัติพึงรู้โดยตรงกันข้าม 1. รู้จักรูป เทียบด้วยรู้จักรูปใหญ่และรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปคือรูปใหญ่คือประกอบด้วยธาตุทั้งสีอุปาทารูปหรือเรียกอีกอย่างว่าอุปาทายรูปรูปอาศัยคือรูปที่ปรากฏได้เฉพาะอาศัยรูปใหญ่ 2. รู้จักรกษณะเทียบด้วยรู้จักลักษณะพานลักษณะบัณดิบเพราะการกระทำของคนเหล่านั้น 3. เขีย่ยไข่ขังคือเมื่อมแมลงวันหยอดไข่ขังที่แผลโคเทียบด้วยละบันเทาทำให้สิ้นไปซึ่งความคิดป่ายชั่วหรืออกุศลวิตก 4. ปิดแผลเทียบด้วยสำรวมอินทรีย์คือตาหูเป็นต้นไม่ให้อกุศลบาปธรรมท่วมทับจิต 5. สมควัน เทียบด้วยแสดงธรรมะที่ฟังแล้วเล่าเรียนแล้วแก่ผู้อื่นได้โดยพิสดารหกรู้จักท่าน้าเทียบด้วยรู้จักเข้าไปหาภิกษุผู้เชี่ยวชาญทางต่างๆเช่นทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาคือแม่บทของธรรมะเช่นบทตั้งของอภิธรรมแล้วไต่ถามเจรู้จักน้าดื่ม เทียบด้วยรู้อัฏฐะรู้ธรรมะเมื่อมีผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตรประกาศแล้ว 8. รู้ทางคือวิถีเทียบด้วยรู้จักอริยมรรคมีองค์แปดตามเป็นจริงมีความเห็นชอบเป็นต้น 9. ฉลาดในโคจรคือทำเลที่โคควรเที่ยวไปเทียบด้วยรู้จักสติปทานสี่คือการตั้งสติสี่อย่าง ตามความจริง 10. ไม่รีดนมจนหมดเทียบด้วยรู้จักประมาณในการรับเมื่อผู้มีศรัทธาอนุญาตให้นำปัจจัยสี่ไปได้ 11. บ, บูชาโคผู้ที่เป็นพ่อโคเป็นผู้นำฝูงเทียบด้วยแสดงความเคารพนับถือพระภิกษุผู้เป็นเทระบวชนานเป็นบิดาสง์เป็นผู้นำของสง์